มันเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศล ท, ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่19มีนาคมพุทธศักราช2560เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้มาวัด เพื่อมาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นสารณะเป็นที่เพึ่งอันประเสริฐเป็นสิ่งเดียวในโลกที่พวกเราสามารถเพึ่งได้อย่างแท้จริงคือเพึ่งให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้เรา ค้นจากความทุกข์ต่างๆที่เรากำลังมีกันอยู่ในขณะนี้ได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านั้นพวกเราจึงมีความศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างมากเพราะเรารู้ว่าการที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาปรากฏ เป็นที่พึ่งให้แก่โลกได้นี้นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งไม่ใช่ที่จะมีอยู่บ่อยๆมีอยู่เรื่อยๆแต่เป็นเวลานับเป็นกลับเป็นกันถ้าเป็นตัวแรกก็หลายล้านล้านล้านล้านปีด้วยกันถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ พรอริยสัจสีมาตัดสโธถึงการดับของความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปมายุติการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่าตายเกิดที่พวกเรายังติดอยู่และจะต้องเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะสอนที่จะบอกวิธีให้พวกเราหยุดสร้างความทุกข์ต่างๆหยุดผลิตความทุกข์ต่างๆหยุดสร้างภพชาติหยุดสร้างการเวียนว่ายตายเกิดกันเพราะความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากการกระทําของพวกเราเองการเวียนว่ายตายเกิดก็เกิดจากการกระทําของพวกเรา แต่พวกเราไม่รู้พวกเราก็ทำไปด้วยความหลงเพราะคิดว่าการกระทาของพวกเราจะนำให้พวกเราไปสู่ความสุขความเจริญกันแต่กับพาให้เราต้องไปเจอความทุกข์ต่างๆกันโดยไม่รู้สึกตัวต้องรอให้มีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาพบความจริงอันนี้แล้วก็มาสอนพวกเรา ให้หยุดสร้างความทุกข์กันให้หยุดสร้างการเวียนว่ายตายเกิดกันนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ค้นพบความจริงคนแรกแล้วหลังจากนั้นพระ อ, องค์ก็นําเอามาเผยแพร่สั่งสอน ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ที่สนใจอยากจะรู้พอสอนเขาแล้วเขาก็นำเอาไปปฏิบัติพอเขาปฏิบัติแล้วเขาก็ได้รู้ได้เห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นได้เห็นทางที่นำไปสู่การสิ้นสุดของการเกิดแก่เจ็บ ต, ตายทางที่นำไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด ของความทุกข์ทั้งปวงเขาก็เลยกลายเป็นพระอริยสงสาวคกขึ้นมาเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เผยแผ่สั่งสอนความรู้อันประเสริฐนี้ให้แก่ผู้อื่นได้ต่อไปพระพุทธศาสนาของพวกเรานี้ตั้งอยู่บนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาแต่พอมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็จะมีพระพุทธศาสนาณตราบใดถ้ายังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ก็ยังมีพระพุทธศาสนาไว้เป็นที่พึ่งไว้เป็นผู้นำทางพาพวกเราให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายถึงแม้ว่าตอนนี้พระพุทธเจ้า ของพวกเราได้จากพวกเราไปแล้วก็ตามแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้ก่อนที่จะจากไปว่าพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากเราปราศจากาศาสด า, ศ า, ศ า, ศาปราศจากครูบาอาจารย์เพราะพระธรรมคําสอนที่เรานํเอามาเผยแพร่สั่งสอนให้แก่พวกเธอนี่แหลจะเป็นาศาสดาเป็นครูอาจารย์ของพวกเธอต่อไป เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคาสอนที่พวกเรากำลังฟังกันอยู่ในขณะนี้ถ้าเราได้ฟังธรรมก็เถอว่าเราได้ฟังจากพระพุทธเจ้าพระธรรมที่ได้สแสดงนี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงสแสดงมานั่นเองทรงสอนมาส่วนภาษาลกพระสงฆ์องค์เจ้าก็มาศึกษา แล้วก็นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสั่มสอนแทนพระพุทธเจ้าก็ยังถือว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่กับพวกเราพระพุทธเจ้าพระธรรมพระธรรมก็คือตัวแทนของพระพุทธเจ้าและเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างนำทางให้แก่ชีวิตของเราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ เปรียบเหมือนกับดวงอาทิตย์เหมือนแสงสว่างโลกเหล่านี้ถ้าเกิดไม่มีดวงอาทิตย์จะเกิดอะไรขึ้นมามันก็จะมืดตลอดเวลาเราก็จะไม่สามารถมองเห็นอะไรต่างๆได้ไม่สามารถผลิตอะไรต่างๆขึ้นมาได้ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์แล้วพวกเราก็ไม่รู้ไม่เห็นเหมือนคนตาบอดจะทําอะไรก็ทํา ไม่ได้อย่างปลอดภัยทำแบบคนตาบอด ก, ก็จะต้องไปเจอความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการมองไม่เห็นสิ่งต่างๆาจจะเดินไปเหยียบงูเข้าอา จ, จะเดินไปหาเสือโดยไม่รู้สึกตัวก็จะถูกงูกัดเสือกัดได้แต่ถ้าเรามีแสงสวา่างเราก็จะเห็นสิ่งที่เป็นภัยเป็นอันตรายแก่ชีวิต เราก็จะหลีกเลี่ยงจะไม่เดินเข้าหาสิ่งที่เป็นภัยเป็นอันตรายเราก็จะเดินเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสุขกับเรานี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราจะเอามาพาชีวิตของเราคือจิตใจของเราให้ไปสู่ความสุขและความเจริญกันให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ จากความวุ่นวายต่างๆกันเพราะพวกเราตอนนี้ก็เป็นเหมือนคนตาบอดคนตาบอดนี้จะไม่สามารถเห็นอะไรต่างๆเหมือนกับคนตาดีได้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นเหมือนคนตาดีมองเห็นมองเห็นทุกข์มองเห็นสุดมองเห็นนรกมองเห็นสวรรค์มองเห็นการเวียนว่ายตายเกิด มองเห็นการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดท่านก็เลยสามารถที่จะเดินไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดได้เดินออกจากความทุกข์ต่างๆได้เดินเข้าหาความสุขที่แท้จริงได้แต่พวกเรานี้ยังมองไม่เห็นพวกเราเป็นเหมือนคนตาบอดคลำทาง เราก็เลยมักเดินเข้าหาความทุกข์กันโดยที่เราคิดว่าเป็นความสุขอะไรที่เราคิดว่าเป็นความสุขแต่เป็นความทุกข์ก็สิ่งต่างๆที่เรากำลังหากันอยู่ในขณะนี้แหละเป็นความทุกข์ทั้งนั้นแต่เรามองไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์เราคิดว่ามันเป็นสุขกันเช่นเงินทองเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นความสุขกันแต่เวลาเราไม่มีเงินใช้ ความสุกนั้นก็หายไปแล้วอะไรเข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์นั่นเองแต่ถ้าเราไม่ต้องอาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเราก็จะไม่ทุก์เวลาที่เราไม่มีเงินทองนี่เป็นเพราะนี่เป็นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าความสุขที่เราสามารถมีได้โดยไม่ต้องมีเงินทองนั้น อยู่ที่ไหนมีหรือไม่นะมีพระพุทธเจ้าคนเดียวเท่านั้นที่ได้ทรงค้นพบว่าเราสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องมีเงินทองอยู่ได้โดยไม่ต้องมีคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสิ่งของต่างๆมาให้ความสุขกับเรานะดูพระพุทธเจ้า ท่านเคยมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองท่านมีภรรยามีคนนั้นคนนี้มาคอยรับใช้เลี้ยงดูมีอาหารการกินอันวิเศษแต่ท่านกลับเห็นว่ามันเป็นความทุกข์กันทุกเพราะอะไรทุกเพราะว่ามันไม่ถาวรมันเป็นของชั่วคราววันดีคืนดีมันก็อาจจะหมดไปได้การเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระราชารา ก็อาจจะเปลี่ยนไปได้เกิดมีสงครามทำสงครามแพ้เขาก็ไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้เป็นพระราชโอรสอีกต่อไปหรือเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายไปก็ไม่สามารถหาความสุขจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ได้อีกต่อไปเพราะพระพุทธเจ้าจึงเห็นว่า สิ่งที่พวกเราเห็นว่าเป็นสุขนี้ท่านกลับเห็นว่ามันเป็นทุกข์ท่านก็เลยออกบวชเพื่อไปหาความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินทองความสุขที่ไม่ต้องใช้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขความสุขนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรความสุขนี้ก็เกิดขึ้นได้จากการควบคุมใจควบคุมความคิดของเรา ไม่ให้คิดไม่ให้อยากนั่นเองถ้าเราสามารถหยุดใจไม่ให้คิดไม่ให้อยากได้พอใจสงบเราก็จะพบกับความสุขอีกรูปแบบหนึง่งความสุขที่มีอยู่ในตัวเราอยู่ในใจของเราที่เราไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยคนอื่นมาให้ความสุขกับเราไม่ต้องไปพึ่งสามีไม่ต้องไปพึ่งภรรยามาให้ความสุขกับเรา เพราะสามีและภรรยาก็เป็นของที่ไม่แน่นอนวันดีคืนดีเขาก็จะจากเราไปก็ได้จากไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้จากไปเพ่อตายก็ได้จากไปพร่อเบื่อเราก็ได้จากไปเพราะพ่ออยากจะไป ม, มีแฟนใหม่ก็ได้พอเขาไปแล้วความสุขที่เราได้จากเขาก็กลายเป็นความทุกข์ไปร้อ ง, องห่มร้องไห้จนถึงอยากจะฆ่าตัวตาย เพราะเราไม่รู้ความสุขที่แท้จริงว่าอยู่ตรงไหนความสุขที่ไม่มีความทุกอยู่ที่ไหนมีพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกที่ได้สงค้นพบความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่มีความทุกตา ม, มาความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอดอพระพุทธเจ้าตอนนี้ถึงแม้จะไม่มีร่างกายแต่ใจของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่และมีความสุข มากกว่าใจของพวกเราที่มีอะไรต่างๆมากมายกายกองแต่กลับไม่ค่อยสุขกันเพราะอะไรเพราะเราก็วิตกกังวลกันกลัวว่าสิ่งที่เรามีอยู่นี้จะหมดไปจะไม่มีใช้พอคิดถึงเงินก็กลัวแล้วว่าเงินจะหมดเมื่อไหร่พอคิดถึงแฟนก็คิดกังวลว่าเขาจะจากเราไปเมื่อไหร่ มีอะไรเราจะต้องกังวลเราจะต้องห่วงกับสิ่งที่เรามีเสมอเพราะสิ่งที่เรามีนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองแต่ถ้าเราได้พบกับความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบแล้วเราจะไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเพราะเรารู้ว่าเราสามารถมีความสุขนี้ได้ตลอดเวลาตราบใดที่เรารู้จักวิธีควบคุมความคิด ควบคุมความอยากได้เราก็จะมีความสงบมีความสุขแบบนี้ได้ไปตลอดเป็นความสุขแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายกำลังมีกันอยู่ในตอนนี้ท่านจึงไม่ต้องมามีร่างกายเหมือนพวกเราไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเหมือนพวกเราไม่ต้องมีสามีมีภรรยามีแฟนมีคู่ครองเหมือนพวกเรา เพราะท่านมีความสุขในตัวของท่านเป็นความสุขที่ดีกว่าเพราะเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมานี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะได้รู้จักวิธีสร้างความสุขที่ไม่มีความทุกข์สร้างความสุขที่ถาวร สร้างความสุขที่ทำให้เราไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆอย่างที่เรากำลังพึ่งกันอยู่ในขณะนี้แล้วก็พึ่งไม่ได้เพราะว่าไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะต้องมีการจากเราไปทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองบุคคลต่างๆไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากกันเขาไม่จากเราเราก็ต้องจากเขาเพราะร่างกายของเราก็เป็นของชั่วคราวเหมือนกัน ร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่พวกเราไม่รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่ต้องมีร่างกายเราก็อยู่ได้เราอยู่ในโลกทิพย์เราเป็นกายทิพย์เป็นร่างทิพย์เราเป็นผู้รู้ผู้คิดที่ไม่ได้อยู่ในร่างกายอันนี้เราเพียงส่งกระแสจิตมาเกาะติดกับร่างกายอันนี้แล้วก็ใช้ร่างกายอันนี้ให้ทำอะไรต่าง ตามความอยากของเราแต่ความอยากของเรานี่มันไม่ได้นำพาเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงมันนาพาเราไปสู่ความทุกข์ที่แท้จริงในคราบของความสุขเราคิดว่าสิ่งที่เราอยากได้ให้ความสุขกับเราแต่พอเราได้มาแล้วไม่นานความสุขนั้นก็หายไปความทุกข์ก็กลับมาแทนที่นี่คือเรา เราเป็นกายที่เป็นร่างทิ่อยู่ในโลกทิ่ไม่ได้อยู่ในร่างกายอันนี้เราส่งกระแสจิตมาเกาะที่ร่างกายมารับรูปเสียงกลิ่นรสจากร่างกายเพื่อไปเสพเพื่อให้ความสุขกับเราแต่พอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเราก็ไม่สามารถเสพรูปเสียงกลิ่นรสได้เราก็ต้องทุกข์กัน แล้วเราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อที่จะเสพต่อเราก็ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเรายังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆให้กับเรานั่นเองแต่ถ้าเรามาพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระธรรมคําสอนพบกับพระอาหารหันตสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าท่านก็จะสอนให้พวกเรามาสร้างความสุข แบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายกันมาสร้างความสุขด้วยการปฏิบัติธรรมรักษาสีลรักษาสีนเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็จเจริญปัญญาให้เห็นว่าความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความอยากของเราการเกิดแก่เจ็บตายของเราเกิดจากความอยากต่างๆของเรา ถ้าเราหยุดความอยากต่างๆได้เราก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปเราจะมีแต่ความสุขเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปดังนั้นหลังจากที่เราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือศึกษาฟังคําสอนอยู่เรื่อยๆวิธีศึกษาก็มีหลายวิธีฟังเทศตอนนี้ก็เป็นการศึกษา เอาหนังสือธรรมะไปอ่านก็เป็นการศึกษาดูวิดีโอธรรมะก็เป็นการศึกษาฟังซีดีธรรมะก็เป็นการศึกษาศึกษาไปเรื่อยๆแล้วเราจะเข้า อ, อกเข้าใจแล้วเราจะได้รู้วิธีสร้างความสุขที่ถาวรสร้างความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่มีความทุกข์นี้สร้างอย่างไร แล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติพอเราปฏิบัติได้เราก็จะได้พบกับความสุขที่มีอยู่ในตัวเราอยู่ตลอดเวลาแต่เรากลับไม่เข้าไปหามันเรากลับปล่อยปละละเลยไม่ให้ความสำคัญกับความสุขในใจเราตอนนี้เรารู้แล้วว่าความสุขที่เราการไปหากันตอนนี้เป็นความทุกข์ทั้งนั้น เพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราวตอนนี้เราควรจะหันกลับเข้ามาหาความสุขทางในใจของเราดีกว่าด้วยการปฏิบัติตามคำสอนคือให้ทำทานทําบุญให้รักษาศีลแล้วก็ให้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมถ้าเราปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ได้ต่อไปความสุขใจก็จะเกิดขึ้นมา ความสงบก็จะเกิดขึ้นมาความหิวความอยากต่างๆก็จะหมดไปแล้วเราก็จะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขจะไม่วุ่นวายไม่ติตกไม่กังวลกับเรื่องข้าวของเงินทองต่างๆว่าจะมีหรือไม่มีจะหมดหรือไม่หมดจะไม่กังวลกับคนบุคคลต่างๆว่าจะอยู่หรือไม่อยู่จะอยู่กับเราหรือจะจากเราไป ไม่กังวลกับสิ่งของต่างๆแม้แต่ร่างกายเราก็จะไม่กังวลว่าจะอยู่จะเป็นจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะเราไม่ต้องพึ่งร่างกายแล้วเราไม่ต้องพึ่งทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเราไม่ต้องพึ่งคนนั้นคนนี้แล้วเมื่อเราไม่ต้องพึ่งเขาแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนเราจะไม่วิตกไม่กังวล นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การที่จะรับประโยชน์จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เกิดจากการศึกษาคาสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วนำเอาไปปฏิบัติทําทำอยู่แค่4ี่อย่าง5้าอย่างนี้ทำบุญทำทานอย่าเอาเงินไปเที่ยวอย่าเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือย เอาเงินที่จะไปเที่ยวเอาเงินที่จะไปซื้อของฟุ่มเฟือยนี่มาทำบุญแล้วจะทำให้เราไม่ต้องไปเที่ยวอีกต่อไปไม่ต้องไปซื้อของฟุ่มเฟือยทำให้เราไม่ต้องไปหาเงินหาทองทำให้เรามีเวลาที่จะมารักษาศีลมานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรงธรมมาปฏิบัติธรรมพอเราได้รักษาศีลได้นั่งสมาธิได้ฟังเทศฟังธรรมจนเกิดปัญญา เราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเราจะได้ทาใจให้สงบใจที่สงบนี้แหละที่ให้ความสุขกับเราอย่างยิ่งและไม่มีความทุกข์สามารถที่จะมาลบล้างความสุขอันนี้ได้ความทุกข์ของทางร่างกายนี้จะไม่สามารถมาลบล้างความสุขของใจได้ใจจะสุขแม้ถึงแม่ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตาย ใจจะไม่เดือดร้อนเลยดังนั้นขอให้พวกเราจงมีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพยายามเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มากขึ้นไปตามลำดับอย่างที่ท่านมากระทำกันในวันนี้เรียกว่าการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเพื่ออะไรมาเพื่อศึกษาเมื่อศึกษาแล้วก็เอาไปปฏิบัติเนี่ย พอปฏิบัติแล้วเดี๋ยวผลต่างๆที่เราปรารถนากันก็จะปรากฏขึ้นมาความทุกข์ต่างๆความวิตกกังวลต่างๆก็จะหายไปหมดเหลือแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรเราจะอยู่อย่างสบายอยู่โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายและพอร่างกายอันนี้ตายไปแล้ว เราก็จะไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่เพราะการกลับมาเกิดมันไม่ดีเกิดแล้วต้องมาทุกขกับการหากินหาอยู่แล้วก็ต้องมาทุกขกับการความแก่ความเจ็บและความตายทุกกับการสูญเสียทุกกับการพลาดพลาดจากสิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบกันพอไม่เกิดแล้วทุกขเหล่านี้ก็จะหมดไปเราก็จะอยู่อย่าง อย่างสงบอยู่อย่างสุดไปตลอดโดยที่ไม่ต้องมีร่างกายเหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายจึยงขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อเพื่อประโยชน์และความสุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีะรัตนไกรมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านอยู่ด้วยความล่มเย็นเป็นสุดจเจริญด้วยอายุวันณนะสุขภล ะ, ะโดยทั่วหน้ากันเธอ